ช่วงเช้าเนี่ยได้คุยเรืองาประเด็ น, นะค่ะนะคะเรื่องแรกนี่จะเป็นเรื่องของการเห็นตัวเห็นคนอื่นนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพืนใกล้ชิดหรือคนในที่ทํา ง, งานหรือคนใกล้นะคะแล้วก็ข้อที่สองนีจะเป็นเรื่องของการเหตุตัวเองนะคะส่วนข้อที่สานี้จะเป็นเรื่องของการว่าเวลาที่เรามาและเกิดกันเต้นรกันในกลุ่มสังฆาหรือแบบนี้มันให้ประโยชน์แต่ว่ามันเกิดการเต้นรู้อะไรบ้างนะคะทนนี้ เพื่อกระชับเวลาค่ะก็เลยให้แต่ละกุ่มที่มาบ้านอย่ง น, นี้ค่ะว่าแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นมานะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์แแบบกำลังรวบรวมข้อที่หข้อที่สนะคะเพื่อที่จะสรุปให้รัฐประจาได้ได้ไ ด, ได้ได้รับทราบนะคะรวมถึกลุ่มใหญ่ก็ได้ฝังด้วยแล้วจารตู้จะสรุปข้อสามให้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นคําถาม จารยังไม่เสร็จจะรู้เสร็จ um, ก mm ่อนนะคะเอาเขาถามคำถามก่อนนะคะค่ะคําถามมันมีรู้สึกว่ามันมีอยู่ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งก็ค่อยๆกระลึกลึมาส่งที่อาจารย์เต้าได้นะคะเรียนเชิญคําถามแรกก่อนเลยค่ะคําถามแรกเนี่ยถามว่าเราจะมีโอกาสให้ควรในภาวะงานที่วุ่นวายมากๆสับสนได้อย่างไรห้องอีอา ตึกผู้ป่วยใน เ, ออเมื่อเช้านี้เนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็เอาธรรมบัญญายิเมื่อวานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องไข้ครวนด้วยพลังสติแล้วก็ไปไข้ครวนในกลุ่มกายามิท์ก็เลยมีคาถามถา ม, ถามเพิ่มขึ้นมาว่าแล้วเวลามันยุ่งยุ่งเนี่ยภาวะการไข้ครวนมันจะเกิดขึ้นได้ไหมหรืได้ยังไง คือถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่มีสถานการณ์บีบคั้นหรือว่ากระตุ้นนะให้เราต้องรีบเนี่ยอัตอมา ก, ก็ยังคิดว่าสติยังสำคัญอยู่ก็คือว่าเวลาเราทำอะไรรีบรีบเนี่ยนะให้มันรีบก็จริงแต่ว่าใจอย่ารนนะส่วนใหญ่น่พอพอ เรารีบแล้วเนี่ยใจเราลนพอใจเราลนแล้วเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์มต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรไปตามความเคยชินสัญชาติญาณ น, นะหรือว่าสิ่งร้ายจาภายนอกนถึงแม้ว่าเราจะเราจะรีบอย่างไรเนี่ยแต่ว่าใจเราเนี่ยให้ให้เราสงบอยู่ได้หรือว่าไม่รีบไปตามสถานการณ์อัตมาคิดถึงนะรถจริงกันเซนรถไฟจริงกันเซนเนี่ยโอมองข้างนอกเนี่ยผมมันเร็วมากเลยนะเคยใช่ไหม อูเวลาเราอยู่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ตรงชานชรานุ่มรถมันมนิ่งเร็วมากแต่ถ้าเราอยู่ข้างใน น, นะมันนิ่งเลยมันเงียบนะรถไฟไทยไม่ทราบเป็นยังไงนะะ <c oughs> แต่รถไฟญี่ปุ่นเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยดูมันรีบนะแต่ข้างในเนี่ยมันสงบ <c oughs> ใช่ไหแอ <c oughs> าจารย์คิดว่าเนี่ยถ้าเรามีสตินะถึงแม้เราจะรีบทําอะไรยี่ยนนะแต่ว่าข้างในใจเราเนี่ยมันมันก็ยังสงบ ไอ้ตรงเนี้แหละที่มันทาให้การไข้ครวรเนี่ยหรือว่าการติดตามสานการต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไปได้ตลอดโดยที่ไม่ไม่หลงไปตามไปตามเสียงร้องภายนอกการรู้ทันอารมณ์การรู้ทันความด้วยความรนที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยหรือว่าความรู้สึกใจร้อนเนี่ยนะมันมันจะเกิดขึ้นในเวลาเราทํางานพอกายเรารีดใจเราก็รนไปด้วยนะ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไอ้ข้างในที่มันรีบๆรุนๆเนี่ยมันมันมันเพ่าลงนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไคร่ควรมีโอกาสที่จะไต่ตรองมีโอกาสที่จะทักท้วงนะในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไคร่ควนอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องแต่ถ้ามาเชื่อกันทักท้วงเนี่ยก า, าทรทักท้วงความคิดเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ ในในช่วงเวลาที่รีบๆหนนะก <c oughs> ็ตัวอย่าอย่าอย่าแพนิกนะอย่าแพนิกเพราะว่าถ้าแพนิกแล้วเนี่ยหรือว่าตื่นตกใจแล้วเนี่ยหรือว่าเรียกเนี่ยเรามีความรู้แค่ไหนเนี่ยมันก็อเอามาใช้ได้ครึ่งคึ่งกลางๆหรือว่าเอามาใช้ไม่ได้เลยนะาะ <c oughs> ลืมไปหมดจาเรื่องท่านเคยเล่าว่าสมัยห้าสิบหกสิบปีก่อนเนี่ยนะ มันมีแม่ลูกอ่อนนะเด็กเนี่ยนะเห็นสตางแดงสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งสตางเนี่ยนะเหรียญหนึ่งสตางเนี่ยมันเป็นทองแดงนะเคยเห็นไหมนะเหรียญสตางเป็ น, เ ป, นเป็นทองแดงหนึ่งสตางนะสมัยก่อนหนึ่งสตางนี่ก็ซื้อซื้ออะไรได้เยอะนะราคาประมาณสักบาทสองบาทนะเด็กก็เอามาเอามาใส่คอนะอมไปอมามาก็ติดคอ เด็กก็ร้องเนี่ยแม่ก็ตกใจนะความตกใจเนี่ยนะก็ทําให้ต้องรีบที่จะต้องหาทางแก้ปัญหาก็เพิ่นนึกขึ้นมาได้ว่าน้ํากรดเนี่ยมันน้ํากรดมันกัดทองแดง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ทองแดงติดคอใช่ไหม <c oughs> ก็ <c oughs> ไอละลายไอระลายไงทำไมฮ <c oughs> ะ <c oughs> ก็เลยเอาน้ํากรดนี่นะ <c oughs> กรอบปาก ลูกนะได้ผลไหมทองแดงหลุดไหมหรุดแต่เด็กเป็นงานแย่ yeah. นะอันนี้คือเรื่องความรู้กับครึ่งกลางกคือมันเห็นแต่ว่าออน้ํากรดเนี่ยมันกัดทองแดงก็จริงแต่ลืมไป ว, ว่าไอ้ทองแดงมอยู่ในคอลูก น, นะแล้ว น, นั้นมันก็ทําลายกัดคอลูกไปด้วยเนี่ยความที่เราแพนิคเนี่ยนะมันทีความรู้ที่มันมีเนี่ยออกมาเนี่ยนะมันครึ่งกลางกลางใ่าหมมันแก้ปัญหาได้จริงนะคือน้ำไอ น้ำกรดเนี่ยมันกัดทองแดงหรือกัดคอแต่ภาพรวมนะก็คือแย่ใช่ไหมอันนี้ก็มองมันก็สะท้อนถึงการแก้ปัญหาเฉพาะส่วนนะการแก้ปัญหาเฉพาะส่วนบางทีมันทําลายภาพรวมอง์รวมนะแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องความตื่นจนแบบตกใจบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีสติพอที่จะทักทวงแต่เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยนะสติที่สำคัญมากเลยที่มันจะทักทวงเฮ้ย ทำได้งั้นทำงได้ยังไงนะงั้นสัคิดว่าในช่วงที่กำลังเร่งรีบเนี่ยนะถ้าเรามีสติเอาไว้นะอย่าอย่ารักษาใจอย่าให้หล่นไปตามสาการเนี่ยถึงแม้เราจะรีบทําถึงแม้เราจะวิ่งนะแต่ว่าใจเราสงบเนี่ยมาช่วยให้มันมีการไต่ตรองไคร้ครวรในนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือว่าอีกขั้นตอนหนึ่งที่ จะเปิดใจเราทำได้คือว่าเมื่อมันผ่านเมื่อเราผ่านเหตุการณ์นั้นไปนแล้วเนี่ยเราทํางานเลยนะเราควรจะมีเวลาพักเราควรเวลาที่จะหยุดนะช่วงนั้นแหละที่เราจะไต่ตองได้นะซึ่งงานบางอย่างเนี่ยมันไม่มันมันไม่เร่งรีบจงนั่งว่าไม่มีเวลาที่จะมาคิดที่จะ่ตรองปัญหาคือว่าพอ เราบางทีเราทํางานเยอะจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะคิดไม่ระเจีเยบใคร่ครวญถึงแม้ ว, ว่ามันไม่ใช่งานที่รีบด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ต้องการต้องการการจัดเวลาที่จะที่เราจะมีเวลาสําหรับการอยู่กับตัวเองหรือวเวลาที่เราจะได้อยูนิ่งๆเพื่อที่ว่ามันจะได้การใคร่ครวญเกี่ยวเรื่องชีวิตหรือว่าให้ความคิดดีๆมัเกิด ข, ขึ้นมาในขณ ะ, ะที่เราอยู่ว่างว่า เดี๋ยวขอขยายความจาดพระอาจารย์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นั่งบริวงหรือแม้แต่ตอนหลังๆมาทำงานกับกลุ่มจิตบวัญยาแล้วก็จะมีคำว่าแด่หลอกหรือสุดธ ท, ทียสศนทนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมองว่าวงมันเป็นลักษณะข้าครวนมากกว่าให้คลวน <c oughs> คือเอาปัญหามาพูดกันพูดเยอะมากคำถามเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นคาถามเชิญปัจเจกก็คือว่า เสียงภายในที่มันออกมาที่พระอาจารย์บอกว่ามัน ม, มันมีอารมณ์ออกมาเนี่ยตู้คิดว่ามันก็คืออารมณ์ข้ามกลวนซึ่งมันติดกั้งสภาวะที่เรียกว่าข้ามกวนยิ่งพอมาเข้าวงมาเข้าวงคุยกันมันก็ช่วยกันข้ามกลวนใหญ่เลยเพราะว่าต่างกันต่เอาปัญหาขึ้นมาพูดกันแล้วก็ติดต่ำอยากให้พระอาจารย์ช่วยใหขยายคำว่าขคามกลวนเนี่ย ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีพลังปัญญาพลังในวิธีคิดอย่างไรเส่วนใหญ่เนี่ยใคร่ครวญเนี่ยมันหมายถึงการที่ย้อนกลับไปบอเหตุการที่ผ่านมาการที่เราย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำได้สองแบบอันที่หนึ่งคือ ควาได้ความหลงก็คือเยอะแยงเช่นว่าอาลัยเสียใจเศร้าโศกโกรธแค้นนะอันนี้คือสิ่งที่วิจัดว่าตัดเตือนเอาไว้ว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพกงึงถึงสิ่งที่จะมาไม่ถึงพูกอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ให้เราคิดถึงอดีตไม่ให้นึกถึงอนาคตนะเรานึกได้แต่เรานึอกอย่างมีสติการที่เรานึกถึงอดีตอย่างมีสติเนี่ยอย่างนี้ด้วยท่าทีของปัญญาเนี่ยมันก็จะ เกิดการไข้ควร น, นะเกิดการประเมินเกิดการสรุป บ, บทเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยสนับสนุนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไปนึกถึงอดีต ด, ด้วยความหลงด้วยความโมฆไม่มีสติพอไม่มีสติ ม, ม, ม, สตมันก็เลยท่ำครวนเสี ย, ยใจโกรธแท้นรู้สึกผิดแล้วก็ไม่ได้บทเรียนอะไรเลยจากจากสิ่งนั้น การนึกถึงอ น, นาคตก็เหมือนกันนะ น, นึกถึงก็นึกถึงในสองแบบคือนึกถึงด้วยส ต, ติหรือนึกถึงด้วยความหลงนึกถ้าเราพิจารณาถ้านึกถึงด้วยส ต, ติไม่ถึงเกดการพิจารณาว่าเออเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตการวางแผนงานหนึ่งปีข้างหน้าหปีข้างหน้านั่นคือการที่เราม อ, มองมันด้วยท่าทีอย่างปัญญาหรือว่ายัางมีสติสติปั ญ, ญญานี่มืนคู่กนะันเลแต่ถ้าเกิดว่าเรา ส่วนใหญ่เราเลือถึงมันด้วยความหลงก็คือว่าอย่างเช่นยกมือสร้างจังหวอะไราเดินในคมก็แว บ, บไปแล้วเนี่ยนะแวบบไปแล้วก็โหนักใจกังวลงานต้องเยอะแยะเนี่ยนั่นส่วนใหญ่แล้วไปเราไปเาไปกาะเกี่ยวกับมันด้วยความหลงเราก็เลยหนักใจนะแล้วบางทีเราก็เลยคล่ำครัวโองานมันเยอะนะอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ไข้ครคล่ำครัวเนี่ยมันต่างกันที่ว่าคุณทําด้วยสติปัญญาหรือทําด้วยความหลงนะ มันมีมันมีตัวแบ่งตัวแยกจุดที่จะแยกออกมาถ้ามีสติก็ใค ร, คร่ครวนถ้าไม่มีสติก็เป็น่ําควรวไปพระนั้นวงเรื่องเล่าล้ำคุศรที่ที่เป็นคำตอบในข้อสามที่อาจาช่วยถามว่าเวลามาคุยกันนี้มันเป็นอะไรก็จะมีทั้งเป็นที่ทใช้สติใช้ปัญญาเกิดการเรียนรู้ อวงระบายทุกเลยค่ ะ, คะวงระบายทุกเนี่ยจริงๆมันก็มันก็โอเคคือถามว่าดีไหมบอกดีได้เล่าเรื่องทุกให้เพื่อนฟังแล้วก็ได้ฟังความถูกของเพื่อนแต่ว่ามันน่าจะมีท้าทีที่แบบว่าทําได้มากกว่าระบายทุกก็อย่างที่จะมาล่อเมื่อวานนะี้นะเจี๊ยบ ก, กับแก้วนะทําได้ไหมเจี <laughs> ย๊ยบ ก, กระบายระบายระบายแก้วเนะี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกัน <laughs> ฟังแล้ว ก, ก็คอยจับประเด็นให้แก้วเป็นคนไข้เป็นมะเร็งนะหน้าที่ของแก้วเนี่ยจริงๆเนี่ยหน้าที่ของเจมส์ิงก็คือฟังฟังนะฟังคนไข้ว่าเขาจะระบายความทุกอย่างไรนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะจิตอาสาในการไประบายความทุกข์ให้คนไข้ฟังแต่คนไข้ก็ดีคนไข้ก็พยายามที่จะสะท้อนการสะท้อนเนี่ย หรือว่าการสะท้อนอะไรสะท้อนด้วยการตั้งคำถามการตั้งคาถามเนี่ยมันช่วยทำให้เจ้าตัวเนี่ยคนที่ระบายเนี่ยเริ่มคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมเริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยปัญหาจริงๆตรงไหนหรือรเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างแท้จริงเพราะว่าหลายคนเนี่ยระบายระบายไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้เลยนะ่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร ตอนนี้พอพอพอมีการสะท้อนเนี่ยจะมาว่ามันช่วยนะมันช่วยทาให้คนระบายเนี่ยเขาเขาเริ่มเห็นปัญหาของเขาเองว่าสาเหตุมาจากอะไรและบางทีพอเี็ปัญหานะทางออกมันมันก็ออกมาชัดเจนตรงทีทางออกเนี่ยมันเกิดตากที่รู้ว่าสมุทัยคืออะไรปัญสาเหตุคืออะไรเช่นเป็นเพราะว่าเราคิดเป็นเพราะเราไปยึดติดถือมั่นกับมันเกินไปเนี่ยนะพอเรารู้ว่ามยึดติดนะทางออกคือปล่อย แน่นอนที่ว่าต้อมีคนช่วยสะท้อนนะสะท้อนแล้วจับฟังแล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนเรานะถ้าหากว่าถ้าหากว่าได้ระบายได้ระบายแล้วก็พอระบายจนกระทั่งมันโล่งนะโอกาสที่จะเกิดปัญญาเกิดสติก็มีคือมันมือนกับว่าเรามีน้ำนะเต็มแก้วพอได้ระบายไปบ้างเนี่ยนะมันก็จะ มันก็จะว่างพอที่จะรับอะไรใหม่ๆไอ้สิ่งที่รับอะไรใหม่ๆนี่อาจจะเกิดจากคนอื่นเพื่อจะเกิดจากปิงแวบขึ้นมาแต่ถ้าจิตใจนะมันมันมันมันเต็มเรื่องอารมณ์ท่วมท้นนะมันปิงแว๊บบำบัดนะคนเราจะปิงแวบได้นะต้อใจใจไม่ต้อ ง, องว่างๆสบายๆความว่างๆสบายๆ ส, ส่ว น, นจะเกิดจาการที่เราได้รีแลกซ์พักผ่อนนะอย่างที่นิวตันเนี่ยเขาปิงแวบเรื่องทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็ตอนที่เขาอยู่ใต้ ใช่แ ต, ต, ต่ตปิแอปเปิลหรือว่าอะคิมิเดสเนี่ยกำลังค้นพบยูเรเกาียก็ตอนที่กาลังแช่น้ำใช่ไหออสไตน์ก็เหมือนกันออสไตน์เนี่ยค้นพบเรื่องเรื่องเรื่องทฤษฎีสมตรติภาพเนี่ยตอนที่เขากำลังกำลังอยู่อยู่นั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านเขาเคือการปริ้นความเกิดขึ้นในเนี่ยเมื่อใจมันโลง่งโล่งนี่ก็อย่างไรก็เกิดมาได้2 อ, อย่างคือตอนที่ใจเร า, เร า, เ, ราเราพักผ่อน หรือว่าตอนที่เราได้ระบายไปในระดับหนึ่งจนกรงทั่งไออารมณ์ที่มันท่วมท้นใจมันก็มันก็ค่อยๆ ค, คลี่คายหายไปเนี่ยแน่นอนคิดว่าการที่ที่เปิดโอกาสให้คนระบายเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเราไม่ไปไปไปซ้ําเติมหรือไปไปยุอะไรนี่นะพอเขาคลี่คลายอารมณ์ภายในเนี่ยโอกาสที่เขาจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเนี่ยหรือเกิดสติขึ้นมาเนี่ยมันมันก็มี ตอนนี้มาคิดว่าส่วนที่จ ส, สนานี่ก็อาจจะทําตรงนี้ได้ทำท่านได้ง่ที่ว่าเปิดสกายคุในระบายแล้วใครๆก็มีการสะท้อนที่จริงโครงการนี้ที่พาพี่ๆน้องๆมาเนี่ยในเชิงการจัดการอย่างที่เรียนพระอาจารย์ตั้งแต่วันแรกว่าโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องข้อน้องเรียนในระบบสุขภาพ แต่ว่าอาจารย์ซู้เนี่ยก็มาช่วยตีโจที่มันลึกลงไปว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ในระบบสุขภาพแล้วก็การเฝ้าระวังความทุกข์ในระบบเนี่ยก็จะต้องหนึ่งก็คือมีเรื่องของสติเข้ามาเพื่อที่จะฟังตัวเองได้ยินตัวเองเข้าใจตัวเองอันที่2เนี่ยก็จะมีเทคนิคในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอันแรกเป็น intra personal อันที่2เป็น inter personal ก็มีการแบบว่านนำสกิลตรงนี้เข้ามาแล้วก็ตอนสุดท้ายพอตู้มาขนายผลเนี่ยตุ้ก็คงไม่สามารถเอาเรื่องนี้ไปแบบสอนทุกคนได้ก็จะใช้ลักษณะว่าให้โรงพยาบาลเนียมีกลุ่มแกลนํำแกลน้ำก็เข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้เป็นสามวัตดูอินทราเพอร์ซิโน่อินเตอร์เพอร์ซนแล้วก็ก็บอกว่าทุกคนเนี่ยก็ให้มีทักษะของคุณอํานวยคือเป็นฝาเล็กๆในการไปเปิดวงเรื่องเล่าเราผุสม ปานเนี่ยก็จะมีบทบาทในการเปิดวงช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนสะท้อนเพื่อให้ได้คิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดอมนําปัญญาทางพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อที่จะคลี่คลายแลว้วก็ถ้าเป็นปัญหาเชิงระบบอาจารย์ซุ้ยก็สก่ยวับเลิกวงจับเขาคุยเพื่อให้เห็นความเข้าใจของระบบ ก, ก่อนที่จะลงมือแยกปัญหาอันนั้นก็เป็นเป็น approach ทั้งหมด มารอบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาก็ก็จะเป็นคนที่ผ่านกระบวนการตรงนี้ยมาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้พงศมาเปิดวงเนี่ยคําถามในข้อสามเนี่ยก็คือถามว่าวงแบบนี้ดีไหมทุกคนบอกว่าดีได้ไประโยชน์มาแล้วแบบว่าที่ผ่านมาหรือต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเปิดได้ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกติดตามตรงที่ว่า เวลาอยูใ่ในในเซตติ้งในบ้านตัวเองอ่ะเหมืนอนรัฒนามูลค้อนไม่เอื้ออ่าถ้าเป็นการประชุมเอเนี่ยในถึงการอะไรอย่เงี้งยประชุมเรื่องความเสี่ยงถึงในถึงกันแต่พอเปิดวงเรื่องเล่ารำกุศส จ, จริงๆต้ออ่านมาจากในหนังสือของอาจารย์ที่พระอาจารย์จะค่อนข้างพูดเลยเรื่องการจัดการความดีเนี่ยให้เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันบ้างในตอนนี้เราพยายามสร้างฟาร์ในการจัดการความดีงเงี้ยแต่ตรงนี้มันเป็นไปได้ยากมาก เอาจารย์ อ, อจาจจะมีข้อเสนอนะคะแล้วแต่จริงๆด้วยอยากฟังจากะช่วยด้วยเพราะว่าในหมู่บ้านพําเนี่ยหลวงปู่เนี่ยจะพูดค่อนขางมากเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสังฆาแล้วก็จำได้ว่าในการภาวนากับหลวงปูป่ทุกครั้งเนี่ยอุ่บ้านธรรมก็จะ จ, จบด้วยพูดเรื่องของการกลับไปสร้างสังฆาในบ้านของตัวเองเคยจำได้ว่าแบบว่ามีคนที่มาภาวนา ครั้งหนึ่งอ่ะเขอเดินทางมาไกลามากอ่ะทุยจากมาเล่นตุ้มตุ้มจากมาเลหรืออะไรอี้แล้วมาคนเดียวแล้วเธทุกข์มากอ่ะแล้วก็ทุกคนก็พูดเรื่องต้องสรา้างสังขาอะไรอย่างเงี้ยเราผู้หญิงภาในก็รู้เพื่ไปหาหลว ป, ปู่ว่าใช้ไม่มีสังขาใกล้บ้านจะทํำยังไงที่จำไม่ได้แล้ ว, ว, ว<ส><ญ>ๆๆด้วยวนะ่าหลวงปู่บอกว่ายังไงฟังพระอาจารย์ก่อนค่ะเรื่องของการที่จะรวมกลุ่มกัน พูดคุยเรื่องแบบนี้กันบ้างไม่ใช่แค่คุยเพื่อหนึ่งปรับทุกขหรือถ้าปรับทุกขี่็มันจะเป็นวงส้มตามวงจงมนะคะคนแรกเราเรียกว่าวงจมกับสองหรือไม่ก็คุยกัเรื่องงานว่าจะทําอะไรกันเจอกันได้แค่สองแบบแต่แบบเรื่องวงจัดการความดีวงเรื่องเล่าเล่าผู้ศนอะไรแบบเนี้ยธรรมชาติมันเป็นยังไงถ้ามันหึงขายนี่ออกคือมันก็เหียวว่าหนึ่ง การจัดลําดับความสําคัญด้วยและสองระดั บ, บความสําคัญแล้วเนี่ยมันก็มาสู่ประเด็นที่ว่าส่วนใหญ่การทํางานเนี่ยในชีวิตและองค์กรเนี่ยมันมักจะหมดเวลาไปกั บ, บเรื่องเร่งด่วนและเรื่องสําคัญสําคัญและเร่งด่วนนะไอส่วนสําคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยมักจะถูกทอดทิ้งนะ สมมติเราเห็นวาสำคัญแล้วนะเช่นออกกาลังกายนี่สําคัญมากนะสมาธิเนี่ยสาคัญมากใช่ไหมการคือแบบนี้เนี่ยสำคัญมากนะสมมุติเรามีข้อสูตรแล้วนะแต่เนื่องจากมันไม่เร่งด่วนเนี่ยไอเร่งด่วนคืออะไรเอใช่ไหมเรื่องงานเนี่ยนะคนเราได้หมดไปกับหนึ่งงานด่วนและไม่สำคัญสองงานไม่ด่วนและไม่สําคัญสามงานด่วนและสําคัญ แต่สิ่งที่จะถูกทอดทิ้งไปนะัก็คือไม่สำคัญอ่าไม่ด่วนแต่สําคัญเนี่คุณลองคุณลองดูชื่อของคุณนะแต่ละคนเนี่ยเราจะพบเลยว่าสิ่งที่ไม่ด่วนแต่สําคัญเนี่ยก็จะเอาไว้ข้างหลังนะอันดับแรกเลยก็คือด่วนและสําคัญแล้วก็แก้ก็คือกระหอกเนะี่ยเช่นตอนนี้เส้นตายวันนี้ยเส้นตายพรุ่งนี้เส้นตายทิศหน้าเนี่ยนะใช่ไหมเฮชเอจะมาแล้วเนี่ยโอก็ต้องก็ต้องเร่งทางําำ น, นะ ไอ้เพ่ว่าสําสคัญจริงนไม่ด่วนนะคือพีหน้านะหรือว่าชาติหน้านี่ก็ไม่ทําชาติหน้าเป็นการทำบุญทำบุญสนไงฮะคือนี่ไงใ ช, ไใช่ไหมนี่คือปัญหาของคนและองค์กรออกกําลังกายดีแต่ว่าไม่ต้องรีบ ก, ก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ด่วนเนี่ยใช่ไหมก<ๆ>็คือก็หอบทาเรื่องที่สําคัญและด่วนและบางและเรื่องนี้เรื่องของเรื่องเนี้ยด่วนแต่ไม่สําคัญก็ทํา เนะช่นเทศกาล midnight sale ถือมีแล้วนะดวนต้องไปนะไม่ไปไม่ได้ f a n ต a ซ y นะก็เทเล่นวันนี้ดูออก Talent, นะ็เทเลอะดูอะก็เทเล่นใช่เ <c oughs> ออก็เทเล่นเนี่ยมัน <c oughs> ตอนไซเด้านแล้วเนี่ยต้องดูให้ได้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ดูวันนี้เนี่ยมันก็อดนะใช่ไหม <c oughs> ามว่าสำคัญไหมไม่สำคัญนะแต่ ต้องดูเนี่ยสมาธิเอะเอาไว้ไว้พรุ่งนี้ก่อนจ็อกกิ้งไว้พรุ่งนี้ก่อนใช่ไหมคือเนี่ยนี่มันเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นปัญหาของระดับบุคคลและองค์กรจนการมีวัฒนาธรรมก็คือว่าอะไรที่สําคัญแต่ไม่ด่วนจะอยู่อันดับสุดท้ายที่อันดั บ, บ ท, ที่สี่เพะงั้นทำไงเนี่ยเราจะตระหนักว่าเอ้ยถึงแม้สําคัญแต่ไม่ด่วนก็ต้องก็ต้องจัดเวลาให้นะตรงนี้ก็เป็นเรื่องการการจัดเวลาการมีวินยัย มีวินัยในการออกกำลังกายมีวินัยในการนั่งสมาธิมีวินัยในการทํากลุ่มแบบนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะผู้บริหารเขาก็ส่วนใหญ่องคอ์กรเนี่ยในระดับโรงพยาบาลก็เนี่ยเขาก็หมดเวลาเกกับเรื่องของอด่วนแล้วก็สําคัญนะ คือบรรทัพก็ให้ความสำคัญเรื่องสังขาเรเป็นลำหนึ่องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องสังขาเนี่ยมันหมายถึงว่าคนค น, นึงมีผลต่อคนอีกคนหนึ่งเสมออันนี้คือประเด็นถ้ายกตัวอย่างก็คือ ว, ว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราตกล ง, งกันว่าเราจะอยู่ในความเนียถ้าคนบางคนไม่ได้อยู่ในความเนียเนี่ยคนที่อยู่ในความเงียส่วนใหญ่ก็จะได้รับผล แม้ว่าจะไม่ทุกคนที่คุยทั้งหมดแต่ว่าคนทั้งหมดได้รับผลจากคนบางคนอันนี้คือ ค, อความสําคัญของสัจรคือถ้าเราวราเรียนรู้ได้ว่าการกระทําของคนหนคนก็คือตัวเราเยแม้ว่าจะเป็นการกระทำเฉพาะตัวเราเนี่ยจะส่งผลต่อส่วนรวมเนี่ยเราก็จะกลับมาดูแลตัวเราแล้วถ้าเราต้องการให้ส่วนรวมเนี่ยทําอะไรบางอย่างที่ดีๆเนี่ย เรารู้ว่าถ้าตัวเราทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่วนตรงจะจะมีสิ่งนั้นเองเคีแต่ว่ามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าในห้องนี้เนี่ย เ, าเราตกลงกันว่าเราจะอยู่ในคลังเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยกระหนักู้งกันหนักอยู่คนเดียวแต่ก็ต้องก็ไม่ ไ, มได้ไปค้นใครนะคะพลังเนี่ยมันจะมีบ้างแต่นั้นจะมีกับคนรอบข้าง ที่รัรู้ไม่สี่คนแต่ถ้าต้องรวมกลุ่มได้ตั้งสิบคนสมมุติมันจะเป็นพลังที่ยขึ้นแบบไม่ใช่แค่คูณสิบแต่มันจะเป็นสิบเท่าหมายความว่าพลังของสังขาเป็นแบบนี้คือเวลาเรารวมกลุ่มกันทําอะไรบางอย่างเนี่ยผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่บวกแต่มันท่ีคูณสมมุติว่าสมมุติว่าในห้องนี้เนี่ยเรามีกันสักเจ็ดสิบคนตอนแรกไม่มีใครตรหนักเรื่องความเงียบเลย ต, ต้องรวมกลุ่มกันได้ประมาณสิบคนเนี่ยแล้วก็เราก็อยู่ในความเยี่ยด้วยกันเราไม่ส่งพลังที่แบบทาไมเธอไม่คุ้นไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรากลับมาเนี่ยข้างในตัวเราเนี่ยในสิบคนนี้เนี่ยพอปฏิบัติด้วยกันมันไม่เป็นตัวเราเนี่ยมันส่งผลให้กับคนอีกหกสิบคนที่เหลือไปในปริยายแต่สิ่งสําคัญก็คือว่ามันไม่ใช่ถ้ายกตัวอย่างในความเี่ยมก็คือว่าการกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การ ดูแลตัวเองเพื่อจะไปจัดคนอื่นเพื่อจะไปบอกใฮ้ย hey, ทาไมเธอไม่ทำทำไมเธออย่างนั้นอย่างนี้แต่มันกลับมาดูแลตัวเองโดยที่เรารู้ว่าเราทําอะไรเรารู้ว่าเราทําสิ่งนี้เนี่ยได้ยังไงแล้วมดียังไงแล้วเราก็ค่อยๆพยายามทำไปกระชับชุมชนนี่คือสําคัญสังคัญแปลว่าชุมชนผู้ปฏิบัติแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ก๊กไม่ใช่เหล่าทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานเนี่ยค่ะชุมชนผู้ปฏิบัติก็คือว่า ทำเองน่ยก็สนับสนุเนเรื่องการคณิตพรมใช้คําว่าวงสนทนาธรรมทำในที่นี้ก็ไม่ได้แมายควว่าจะานั่งสนทนากันเรื่องอริยสัจสี่เลยอลยแนะัแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราตอนนี้เรามีความทุกข์ความสุขยังไงหรือเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรเราก็มีเพื่อนมบฟบังแล้วบางทีเพื่อนเขาจะแ บ, บ่งปันเราเรียกว่ามันเป็นการแ บ, บ่งปันปัญญาจากการปฏิบัติ ต้องมีปัญหาเรื่อง ค, ค, คนไข้คนนี้ต้องดูแลเคสนี้ไม่ได้ทุกโมโหแล้วก็รู้สึกแย่ตัวเองมากที่โมโหกับคนไข้คนนั้นพี่ซุยบอกว่าเออพี่ก็เคยเจออย่างเนี้ยแต่ว่าพี่สุยแก้อย่างนี้พี่สุยฝากเขาแล้วก็โทรกลับไปขอโทษแล้วพี่สุยรู้สึกว่าความทุกข์มันเบาเลงไปเยออันเนี้ยเรียกว่าเป็นการแบ่งปันปัญญาจากนักปฏิบัติแต่มันไม่ได้แมาเพราะว่ามานั่งแล้วพี่ซุยก็เออพี่ก็สอนแก้มากเลยย ไ, ไม่ใช่แต่ว่า มันมีการปฏิบัติอยู่มันมีการแ บ, บ่งปันการปฏิบัติอยู่อันนี้ความหมายของสังคะย้อนต่อไปนิดนึงว่าแล้วทั้งในโรงพยาบาลเนี่ยตายอะไม่มีใครเลยเหมือนกับเพื่อนออมาจากมาเลเซียหรืออไรนแล้วก็มาถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ปก็ให้ไปปฏิบัติกับชุมชนได้บ้านหรือรวมกลุ่นนมการปฏิบัติรวมกลุ่มในการปฏิบัติคือเนี่ยนั่งตามลมหายใจหรือเดินด้วยการหรือสนทนากันแล้วเขาบอคำนี้คืสนทนา อป่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญนะก็คือว่าตัวเขาเนี่ยต้องกลับมาดูแลตัวเองก่อนหาสาขาที่ตัวเองได้เช่นมีแจ ก, กันดับไม้มีแมวมีหาเบิดบานกับแจ ก, กันดอกไม้เบิรบานกับแมวกับมาไหถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเรารับรู้เป็นสาขาเนี่ยเราเบิดบานได้เนี่ยปฏิบัติให้ตัวเองมันชื่นบานมากขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาคีความสุขมากพอในไอ้ความสุขของเราเนี่ยมันจะส่งผลกับคนในบ้านมันจะส่งผลกับเพื่อนในห้องทํางานแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราไม่รู้เพื่อแบบเพื่อจะเรียกร้องให้คนอื่นปฏิบัติแต่เราปฏิบัติเพื่อนนที่เร า, ร า, าจะกลับมาดูแลตัวเองแล้วเรารูา้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราเพราะวนเป็นประเด็นเรื่องเรื่องชุมชนผู้ปฏิบัติ เป็นคล้ายๆกันแต่ไม่เปนเพลาเรื่องมีคนถามว่าที่พระอาจารย์เปรียบการฝึกสติเหมือนการเลี้ยงสุนัขเราเีสุนัขมากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมคะล่ามเราเราเลี้สุนัขมากกว่าหเราเลี้ยงสุนัขมากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมคะตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวเดียวก่อนเอาแต่นี้ก็ได้เอาเราอย่างนี้เปลี่ยนใหม่ก็เหมือนกันเรากําลัง เลี้ยงวัวสักฝูงหนึ่งฮนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเลยนเวลาเลี้ยงใช่ไหชาวบ้านเนี้ยก็ปล่อยมันขึ้นหน้าในชะ่ไหมแล้วก็เดินตามหลังนะแล้วก็คอยดูว่าวัวเนี่ยหรือควา ย, ยมันเดินตามทางหนะตัวไหนเนี่ยออกไปนอกเส้นทางหรือออกเส้นออกไปกินหญ้ากินข้าว ตามทุ่งนาสองข้างทางก็เรียกมันนะไม่ต้องไปดึง ม, มันแค่เรียกมันพอมันได้ยินมันก็กลับมาเดินในทางนะเนี่ยคุณทางจัตใจคุณแบบนั้นนหะทางที่ว่านี่นะอาจจะอาจจะไปทรลไหยใจอาจจะาปนึกทางตรงกลมใช่ไหม ใจเนี่ยมันแยกออกไปข้างนอกเรียงมันกลับมากลับมาอยู่แบบเนื้อกับตัวจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ใช้หลักเดียวกันนะอย่างนี้ไม่เหนื่อยอยิ่เราไปคอยไปล่ามันเาไว้หรือคอยไปล่ามันให้เดินตามทางถ้คุล่ามันให้เดินตามทางกินเหนื่อยแน่เลยเพราะว่ามันเดอะแล้วมันมันไม่ยอมยใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าเราลองสังเกตชาว บ, บ้านเวลาเขาเดิน ตอนหัวต่องควายเขแบบนี้แหละใช่ไหมเจ้าของคำถามเคลียร์ได้ยังคะจินตนาการในใจคืออะไรบ้างคำถามด้วยโอเคไม่สแสดงตัวแบบว่าเคลียร์แล้วนะคะเออคำถามสั้นๆกับคำถามายาวๆอ่านร้องจ้านะคะ ทํอาอย่างไรเห็นแล้วจะไม่เป็นเจ้าคะเห็นเห็นแล้วจะไม่เป็นคาถามยาวๆอีกหนึ่งท่านนะคะน้องชัยเสียชีวิตเมื่อสามเดือนก่อนจะครบร้อยวันวันที่สิกันยาที่บ้านาากำลังจจัดทำบุญร้อยวันแต่เม่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อนเพื่อน่อนวงงานไปเยี่ยมที่บ้านและเล่าเล่าใหฟังว่า เห็นน้องชายของตัวเองนั่งโกงหน้าอยู่ในบ้านโดยเป็นพี่สาวจึงรู้สึกมีคําถามว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงจะหมายคําว่าน้องชายอยากสื่อสารอะไรบางอย่างหรือไม่เช่นยังไม่ไปควบคุมที่ควรหรือจิตของผู้เห็นมีความคิดฟุ้งไปเองทําให้เห็นน้องชายข้อสองเนี่ยเป็นไมด้ทั้งนั้นนะ ก็จะเห็นจริงไม่ได้หรือก็อาจจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นไปได้ทั้งนั้นในคนที่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาก็ก็ไม่มีอะไรคือเรื่องมันนี่ก็ฟัองหูไวหูเอไว้นะแต่ว่าก็เป็นไปได้นะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมีมีมูล่างทวามจริงอยู่บางทีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังยังไม่ได้ตายเพภูมิที่ดี ขวาจะมีก็ายจะไปพบภูมิใหม่แล้วแหะแต่ว่าความรู้สึกเกาะเกี่ยวอยู่กับอยู่กับควบคุมเดิมหรืออาจจะอยู่กับร่างเดิมด้วยซ้ําเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะ เ, เพราะว่าเขายังเขาอาจจะยังมีความห่วงใย ห, ห่วงกังวลหรือว่าก็อาจจะยังปรารถนาบุญกุศลที่อยากจะให้ช่วยนะสิ่งที่ควรทำคือเราก็ ก็ทาบุญที่สงส่งไให้นะซึ่งก็ใกล้จะทาอยู่แล้วนะอันนี้ตามาคิดว่าก็จะส่งผลได้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลาเวลาผู้ที่ลงลัำเนี่ยแล้วเขายังยังยังไม่ไปไหนเนี่ยักนะ็มักจะมีแค่สองอย่างนะก็คือห่วงกังวลหรือไม่ก็ ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างความช่วยเรลือน่าจะเป็นเรื่องบุญกุศลก็ได้ประการที่สองเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยทำได้เหรคือมีสตินะเห็นเนี่ยธรรมาก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวานว่าเห็นเนี่ยมันเห็นได้สองอย่างเห็นด้วยสติและเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเนี่ยมันจะช่วยอันนี้สองการเห็นด้วยสติคือทำให้ไม่เข้าไปเป็นหมายความว่าเวลา เอาเงี้ยจะมายุติอ ย, อย่างง่ายแล้วกันนะจะเป็นรูปธรรมไม่รู้งา่ายหรือแต่เป็นรูปประทับดีอาจารย์ประสงค์ปริพุน โ, นโนเนี่ยเราว่าเคยไปเทศที่โรงเรียนหนึ่งนะโรงเรียนประถ ม, มะอเสร็จแล้วท่านคงเทศเสร็จแล้วก็ระหว่างที่รอรถกำลังก็เจอเด็กนัเกเรียนคนนึงอายุแปดขวบเป็นผู้หญิงก็เลยคุยกันเด็กคนนี้ก็ดูฉลาดนะเป็นคนช่างคิด แล้วก็พูดจาๆๆๆๆ่าฉาดฉานพูดันจบอาจารย์ส่งบเนี่ยหนูเป็นเด็กฉลาดมันเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วก็เลยดึงรูปประคําออกมาจากย่าเด็กพอเห็นเด็กก็ร้ อ, องอู้ฮูอาจารย์ส่งท่าก็ไวัยนะท่านก็ถามเลยว่าหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไร เด็กตอบว่าไงเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างหน้ามันดีใจเถอะ <S <S 1> <S 1> เด็ก <S <S ไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างหน้ามันดีใจนี่คือความแตกต่างมองเป็นแต่เห็นมนเข้าใจไหม <S 1> <S 1> ถ้าหนูดีใจเนะี่ยคือหนูเป็นผู้ดีใจความดีใจเป็นตัวหนูไปแล้วแต่ว่าเด็กคนนี้วันหนูเห็นข้างน้ามันดีใจแสดงว่าอะไรความดีใจกับหนูนี่คนละอันหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าก็ถามต่อว่าแล้วหนูทําไงกับมัน เด็กก็ตอบพีบอรหนูไม่ทําอะไรกับมันขาดหอวกาแค่ดูมันเฉยเฉยตอนนี้เครื่องนั้นมันเบาลงนะา แ, แล้วความเรียจันลดลงแล้วนี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าดูเฉยเฉยเด็กเด็กเนี่ยเขาใช้วิธีการดูเฉยเฉยรู้สื่อๆนะไอ้สองข้อนี่เป็นหลักในการจราสลีดนะคือเห็นไม่เป็นไปเป็นแล้วก็รู้รู้ซื่อๆรือดูเฉยเฉย ไม่ใช่แคความดีไม่ใช <Re> ่แคความดีใจในความเสียใจเหมือ <ทำ S 2> นกันนะคุณไม่องทำอะไรเคุณแค่ดูม่ได้เฉยเดี๋ยวก็หายไปเองเพราะว่าตอนที่คุณดีใจหรือคุณเสียใจในตอนนั้นคุณเผลอแต่พอคุณ <c oughs> มีสติคุณรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็หายไปเหมือนกับความมืดพอโดนแสงสว่างสาดส่องก็หายไปคุณไม่ต้องขับไล่ความมืดนะคุณเพียงแต่จุดไฟให้มันสว่างขึ้นจุดเท <c oughs> ียนให้มันสว่างขึ้นความมืดก็หายไปแล้วเวลามีความโกรธคุณไม <c oughs> ่ต้องทำอะไรความโกรธคุณเพียงแต่ ุดความสวา่างคือใน ใ, ใจตัวมีสตินะเขาจะามาเห็นเข้าไปเป็นเนี่ยมันต่างกันหลวงพ่อมนเียงเคยเล่าา ไ, ไปไปไปสอบปรลมนับปฏิบัติก็มีผู้หญงคนหนึงบอกว่าเนี่ยแย่จริงเลยวันนี้ปฏิบัติไม่ดีเลยแย่มากหมูเครือด จ, จังเลยหลวงพ่อท่านไม่ตอบนะท่านถามอายังยังถามไม่ถูกนะ ใหพูดใหม่เขาได้คิดหน่อยแล้วแล้วก็พูดว่าเนี่ยดูเห็นความเพียดมันเยอะเหลือเกินต่างกันไหมหระหว่างรู้เครียดกับเห็นความเพียดอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเนี่ยคือตัวอย่างว่าเห็นไม่ค่อยเป็นเนี่ยมันต่างอย่างไรนะถ้าคุณเห็นความต่างคุจะรู้เลยว่าจะเห็นได้นี่ก็ต้องใช้สตินะสติที่มันะทำหน้าที่อยู่สองอย่างนะคือเราลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แล้วก็ทำให้ตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนที่คุณมีตอนที่คุณมีความโกรธมีความเสียใจนี่นะมันถ้าพูดง่ายๆคือก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปนะถ้ามีสตินะพอดับปุ๊บนี่นะและมีสติตามมานะมันไม่เกิดขึ้น ปกติถ้าเราเวลาเรามีอารมณ์ใดก็ตามเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับถี่มากพอมันดับปุ๊บมันเกิดใหม่ดับปุ๊บมันเกิดใหม่ดับปุ๊บมันเกิดใหม่แต่พอคนมีสติปุ๊บนะพอมันดับปุ๊บนะมันไม่เกิดใหม่แล้วเพราะมีสติมาขั้นกลางใช่ไหมไอ้ตอนที่สติเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาขั้นกลางเนี่ยสติจะเห็นความโกรธที่เพิ่ง mm hmm. หายไปหลดหลดมอนก็เพิ่งเห็นหาเมันผ่านไปอันนั้นแหละคือเรียกว่าการเห็นนะแต่ถ้าเป็นกนะ็คือว่า ไปยึดเอาความโกรธ ว, ว่าเป็นเราเปของเราไปสัมพัญเป้าหมายว่าเราเป็นผู้โกรธนะตอนนั้นเรคือไม่มีสติเพราะนั้นเนี่ยสตินี่มันจะเป็นเป็นตัวช่วยมากที่ทำให้ดึงจิตออกมาจากการข้อไปเป็ น, ปนให้มาเห็นเปลี่ยนเหมือนกับมีกองไฟนะกองไฟเนี่ยนะ ถ้าเราถ้าเราอยู่ในกองไฟนี่ร้อนนะร้อนนะแต่ถ้าเราเดินมาจากกองไฟเนี่ยออกมาดูกองไฟนั้นเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงนะนะกองไฟยังมีอยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยทุกข์แล้วเพราะว่ามันมีระยะห่างระหว่างเรากองไฟนะเหตุก็คือว่าเห็นไฟแห่งโทกสาที่เกิดขึ้น ทีแรกเนี่ยนะเหมือนกับว่าทุกข์มากเลยเพราะว่าอยู่อยู่กลางกลางกลางกองไฟนั่นเลยอันนี้เราเข้าไปเป็นนะเช่นโกรธเนี่ยพอโกรธความโกรธเกิดขึ้นเป็นผู้โกรธเนี่ยก็เปลี่ยนก็นว่าไปอยู่ในกองไฟนั้นเลยโอ้มันร้อนมากเลยแต่พอมีสติพุทธสติจะดึงจะดึงจิตออกมาจากกองไฟนั้นมาเห็นมาเป็นผู้เห็นนะความทุกข์มันจะลดลง ความโกรธมีอยู่แต่ว่าใจเนี่ยไม่ทุกข์แล้วแล้วเมื่อใจมีสติเนี่ยไม่ไปทำอะไรความโกรธไม่ไปเติมเติมเชื้อเติมคืนให้มันนะมันก็จะดับแล้วมันจะดับเร็วมากเลยนะมีน้องงงถามว่าเมื่อวานเนี่ยที่พระอาจารย์ก็บอกว่าให้เห็นเฉยๆรู้เฉยๆชอบก็ไม่เอาไม่ชอบก็ไม่เอา แล้วเราไม่ไม่เป็นคนชูดชาไม่แฉกเลยคไม่หรอกกินอาหารก็ยังอร่อยนะแต่ไม่ไม่ยึดติดไงใช่ไหมฟังเพลงก็ยังเพราะแต่ว่าไม่ไม่ยึดติดเนี่ยนะเพราะทุกการยึดติดเนี่ยมันไม่ถูกใช่ไหมเพราะนี่มันมันคือความต่างนะ มีคนพูดเปรียบเทียบ ว, ว่าวิญญาณเช่นคําชมเนี่ยคําชมเนี่ยเหมือนกับหมาฝรั่งเคี้ยวได้แตอย่า ก, กลืนเคี้ยวรับความอร่อยแต่ก็ถึงเวลาก็ต้องคายมันทิ้งอย่า ก, กลืนก็คือแล้วไม่กืนแล้วมันทุกข์ใช่ไหมมันเป็นอันตรายใช่ไหมคาชมก็เออแล้วก็เราก็รับรู้มันอาจจะดีใจนิดหน่อยแล้วก็ ก็วางมันลงนะเพราะถ้าคุณไม่วางมันลงเนี่ยพอเขาไม่ชมนะอย่าว่าอย่าอย่าอย่าว่าเขาเขาไม่ต้องดา่าแค่แค่ไม่ชมเนะี่ยวันที่เขาชมพรุ่งนี้เขาเงียบเนะี่ยเราก็รู้สึกมีปัญหาแนละ้วเมันก็เพื่อนกดไลค์นะทุกวันเลยนะแล้ววันนี้ไม่กดไลค์นะรู้สึกทุกนะตกังวลแล้วทำไมไม่กดไลค์นะนะเขายังไม่ทันจะว่าแ ค, แค่ไม่กดไลค์นะเพราะอะไรเพราะว่าไปปลื้มกับคําชม พอไม่ชมเนี่ยอันนี้เกิดความผิดปกติแนละ้วเกิดความทุกข์ขึ้นมานใช่ไหมอาจารย์ชาท่านเก็บว่าความสุขนะความสุขแบบแบบเนี่ยจากการเสพนะสุขจากการเสพสุขจากคำชมเนี่ยเหมือนกับหางงูส่วนความทุกมันก็หัวงูจับหัวงูมันก็กัดทันทีเลยจับหางงูถ้าไม่รีบปล่อยมันก็จะแวงเข้ามากัด เันต้องรีบปล่อยนะก็คือว่ย่าเป็นเพลินกับมันมากไม่ต้องกลัวนะกินอาหายที่อร่อยฟังเพลงก็พะมีคนเล่าเรื่องโจก็ขำนะแต่ว่ามันไม่มันไม่มันมันก็ผ่านไปอย่างเร็วไม่มีการติดค้างนะเหมือนกับเราเราเคลียร์แบบฝรั่งเสร็จแล้วเราคลายทิ้งนะไม่ไม่ไม่เปรนมันไป่ขำต่อไม่ได้สนุกดี อันนี้เป็นคำถามว่าเมือ่อเดือนที่แล้วกระผมได้ร่วมอบรมพุทธวิธีกับการดูแลผู้ป่วยขั้นสุดท้ายมีพระที่เป็นวิทยากรได้สอนว่าหนึ่งปฏิบัติธรรมแล้วจะหายจากเจ็บปวดได้สองปฏิบัติธรรมแล้วรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้หายได้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาล หมอจิตอ า, าสาที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป็นเลยสุดท้ายนำรำมศการถามว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นต่อกรณีนี้อย่างไรมข้อมูลก็ชัดเจนแล้วว่าพูะุทธเจ้าก็โอ้ขอโทษค่ะยังไม่หมดค่ะสมมติว่าพระอาจารย์เข้าร่วมอบรมพระอาจารย์รับได้กับคำสอนนี้หรือไม่ถ้ารับไม่ได้ควรปฏิบัติอย่างไร คือผู้เจ้าเนี่ยก็ปริบัติภานกิจ อ, อะไรฮะเพราะอะพราะมีอ า, าพาดใช่ไหมฮะภาคหารจำนวนไม่น้อยก็มรณะพาดเพราะโรคมะเร็งนะเดีย๋ยวาไปคิดว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเฉพาะคุูทุชนนะหรือจะเกิดขึน้นเฉพาะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะีะเพราะามันเป็นธรรมดาของสังขารนะนะ การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีผลต่อจิตนะที่ทําให้จิตเนี่ยผ่องแผ้วส่วนสังขารร่างกายเนี่ยมันก็ประกอบด้วยธาตุสี่มันก็ต้องแปรปรัวไปตามธรรมชาติของมันนะสังขารคือร่างกายมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะไอ้จิตของหาดที่ได้รับการปฏิบัตินะตนพ้นทุกข์แต่ว่าสังขารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะไ ม, ไม่เจ็บไม่ป่วยนะ มันคนละเรื่องกันหรือแม้กระทั่งว่าทำบุญทำกุศลแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเหตุเพศภัยนะเคยมีคนเมื่อสักสี่สปีก่อนเนี่ยมันมีไฟไหม้ใหญ่ที่สุบินแล้วก็มีบ้านเรือนนับร้อยหลังผู้คนนับพันเนี่ยซิ้นเนื้อประดาตัวนะก็มี หลายคนเนี่ยมาตัดเพาะกับหลวงปู่ดูลนัตุตโลว่าบ้านเขาเนี่ยนะตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำบุญพ่อแม่ก็ทำบุญตัวเขาพระป่าสักิ้งก็ไม่เคยขาดทำมตรดแต่ทำไมบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองหลวงปู่็าบอกว่าความเสื่อมความวิบัติความมานตราทางความพลาดๆเป็นธรรมดาโลกนะ คือไม่มีใครหนีพ้นผู้ฝ่ายทํมผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเจอเหตุเหล่านี้เนี่ยทำอย่างไรจริงจะไม่ทุกข์นี่ต่างหากเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะช่วยไม่ให้หิวไม่ช่วยช่วยให้ฝ่ายไม่ไม่ช่วยให้ไม่ป่วดไม่ตายนี่แหละไม่ใช่นะต้องเข้าใจแล้วว่าไอ้ความเสื่อมความวิปัติาความป่วย อย่างที่เราสวนเมื่อวานเนี่ยนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบลความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบล้างความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะุบลความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลาดพากของเราของชอบไปทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครอบครัวทุกคนไม่ใช่เฉพาะปุตรชนพระยเจ้าพระรานก็หนีไม่ค้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปฝากความหวังลมร้องแรงกับการปฏิบัติธรรมมากจนเกิน ตนสน้นความจริงจริงอย่างที่หลวงปู่ทุ่บอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหน้าที่ของธรรมะคือว่าเมื่อมันเมื่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำไงใจได้ไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมมันไม่เกิดนะมันต้องเกิดถ้ามันเหนปัจจัยมาถึงแต่ว่าทำจะช่วยทําให้เราไม่ทุกข์นะอันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ที่อยากจะ ปรับความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราตระหนักถึงความจริงของชีวิตเอาไว้นะแล้วก็หน้าที่ของธรรมก็คือการช่วยทำให้เราเผชิญสิ่งเหล่านั้นได้โดยที่จิตใจยังเป็นปกติอาจารย์บัณฑบสรุปข้อหนึ่งกับข้อสอที่พวกเราส่งมานะคะว่าในกลุ่มได้อะไร เรื่องทตั้งคถามเอาไว้สองข้อแล้วจะามาอ่านจบเรื่อยค่ะคำถามข้อหนึ่งนะคะให้ทบทวนว่าสามเดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ครั้งไหนที่เราไปฟังคนตรงหน้าแล้ว ม, มีการฟังครั้งไหนที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมันอย่างในตัวเราแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราฟังได้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะคะก็ จัดที่ต่อมานะคะเรื่องของการฟังคนตรงหน้าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีทั้งฟังญาติฟังเพื่อนร่วมงานฟังลูกฟังหลายๆคนนะคะก็วิธีการฟังที่เขาเขียนมาเดินเนี่ยเรามักจะฟังแบบต่อต้านตัดสินแล้วก็รู้สึกว่าลำคานก็ทําให้เกิดการเสียความสัมพันธ์การฟังในครั้งใหม่ของเขาเนี่ยก็ฟังที่เพื่อที่จะเรียนรู้เปิดใจไม่คาดหวังไม่ตัดสินแล้วก็ฝึกฟัง สิ่งที่ทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงภายในกับเปลี่ยนแปลงภายนอกส่วนใหญ่ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงภายในหลังจากที่ได้แบบเปิดใจฟังแล้วก็คือฟังเขาเราทำให้เราเข้าใจตัวเองฟังเรายอมรับเข้าใจความแตกต่างของคนฟังแล้วแบบเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้ฟังแล้วทาให้เข้าใจธรรมชาติเช่นความเจ็บป่วยของคนแล้วก็ฟังรู้สึกว่าตัวเองได้ฟังอย่างมีสติ แล้วก็การฟังที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงภายนอกเชิงพฤติกรรมก็คือทําให้เขามองรอบด้านมากขึ้นฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยเขาฟังได้มากขึ้นฟังได้แบบไม่ตัดสินแล้วก็ฟังแล้วทําให้แบบเกิดมุมมองแนวคิดในการดูแลลูกใจเย็นขึ้นลดตัวตนเวลาฟังเขาแล้วก็แบบหันมาปัคใมตัวเองง่ายกว่าที่จะไปปัคใจคนอื่น เหตุปัจจัยที่ทําให้เขาฟังแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือส่วนใหญ่ก็จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์โตแล้วก็การที่มันฟังมาเหตุการณ์บางอย่างแล้วอ่ะมันจะกระทบ ก, กับประสบการณ์ตรงในอดีตของเขาที่มันอาจจะเหมือนหรือต่างจากเดิมแล้วเขาก็มีสติแล้วก็มีการไขว่ควอันนี้ก็คือที่มันเกิดกับตัวเองส่วนที่เกิดกับข้างนอกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการ เชื่อมั่นศรัทธาในครูบาจารย์แล้วก็พลังของกัลยาณมิตรมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เกิดโอกาสแทรกตัวแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปตัวเองอันนี้โจบข้อหนึ่งครับอาจารย์ส่วนโจทย์ข้อสองก็คือในช่วงสามสา ม, สามเดือนหรือในสองสามวันเนี่ยเราได้มีโอกาสฟังตัวเองเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีตัวตนไหนที่เราแบบมันเกิดขึ้นขุดขึ้นกับเราบ่อยๆแล้วเรารู้สึกไม่ชอบมันเลย หรือว่ามันมีตัวตนบางอัน